เรื่องเล่าผีหลอนตอนลิฟต์ตัวสุดท้ายเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณเลฟิฟโดยคุณเลิฟเล่าว่าตอนเรียนปีสผมได้ไปฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึ่งบริษัทแห่งนี้เช่าตึกอยู่ใจกลางกรุงเทพชั้น21 เปิดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างตอนผมไปฝึก ง, งานใหม่ๆตึกนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดียังมีหลายชั้นที่ปิดอยู่มีการก่อสร้างเดินสายไฟท่อแอร์ตกแต่งภายในในตึกนี้จะมีลิฟต์อยู่หตัวถ้าเดินเข้าตึกไปก็จะเห็นลิฟต์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งละสามตัว เป็นลิฟต์แบบไฮสปีดคือมีความเร็วในการขึ้นลงสูงมากเพราะเป็นตึกสูงแล้วที่ลิฟต์ตัวที่6ฝั่งขวามือตัวสุดท้ายนี่เองเป็นลิฟต์เจ้าปัญหาครับคือทุกๆวันศุกร์เจ้าลิฟต์ตัวนี้จะใช้งานไม่ค่อยได้บางทีตอนเช้าใช้ได้ใบยๆกลับเสียหรือไปค้างตามชั้นต่างๆ จนเป็นที่ร่ำลือกันว่าวันศุกร์ห้ามขึ้นลิฟต์หมายเลขหจนมีวันหนึ่งซึ่งตรงกับวันศุกร์พอดีผมจำได้ว่าพี่ๆเขาเงินเดือนออกกันเลยนัดกันจะไปกินเลี้ยงที่ร้านอาหารใกล้ๆตึกพอถึงตอนเลิกงานต่างคนก็ต่างทยอยออกมาจากบริษัทโดยมีผมตามออกไปเป็นคนสุดท้าย เพราะเป็นเด็กฝึกงานเลยต้องเคลียร์งานที่เหลือเก็บของเก็บโต๊ะพอเดินมาทันพวกพี่ๆก็คุยกันเพลินๆว่าจะกินอะไรจะไปไหนต่อดีจนเดินมาถึงหน้าลิฟต์โดยไม่รู้ตัวลิฟต์นั้นก็เปิดออกพร้อมกันสองตัวครับแต่ความซวยของผมเองดันพลาดเดินเข้าลิฟต์ไปก่อนใครส่วนพี่ๆ เขาขึ้นลิฟต์อีกตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันผมเห็นพี่ๆเขาทำหน้าเหวอพร้อมกับกวักมือเรียกผมผมก็นึกขึ้นได้ว่าตายละนี่มันลิฟต์หมายเลขหกนี่ว่าพอจะก้วออกไปมันก็สายไปแล้วประตูลิฟต์ปิดอย่างไวผมรีบกดปุ่มเปิดประตูรัวๆมันก็ไม่ยอมเปิดช่วยไม่ได้ครับผมก็เลยกดชั้นหนึ่งไป เสียงลิฟท์ High ฮสปีดเริ่มทำงานวืดวืดวืดวืดตัวเลขดิจิตอลสีแดงเหนือหัวบอกสถานะชั้นที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ลงอย่างไวจากชั้น20 19 18 17 16จนมันมาหยุดที่ชั้น15เสียงในลิฟต์ก็พูดว่าฟิ t ทีนฟลอพร้อมกับเสียงดัง ติง้งประตูลิฟต์ก็เปิดออกผมคิดว่าจะมีคนที่ชั้น15กดเรียกลิฟต์ลิฟต์ก็เลยหยุดแต่ที่ไหนได้มันเป็นชั้นว่างๆครับชั้นที่ยังทำไม่เสร็จแสงไฟจากในลิฟต์ส่องให้เห็นบริเวณข้างหน้าได้ไม่ไกลมากมีกองวัสดุสายไฟท่อแอ วางระเกะระกะเต็มไปหมดที่หน้าต่างยังมีกระดาษปิดเอาไว้แสงจากภายนอกลอดเข้ามาได้เพียงสลัวสลวผมใจเต้นคิดในใจทำไมมันมาหยุดที่ชั้นนี้วะแล้วก็รีบกดปิดประตูรัวๆแต่ประตูมันก็ไม่ปิดกดปุ่มฉุกเฉินเรียกคนภายนอกก็ไม่มีเสียงตอบกลับ คิดในใจทำไงดีทำไงดีงดลิฟต์ค้างเหรอเนี่ยผมพยายามทำใจให้เย็นลงวาดสายตามองไป ร, บรอบๆเพื่อมีประตูหนีไฟจะได้เปิดเดินลงไปแต่ชั้นนั้นมันมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยสักพักหูผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเดินมาที่ลิฟต์ และเสียงวัสดุกระทบกันเสียงของตกโครมครามเหมือนคนเดินชนและเสียงนั้นก็เริ่มเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีพร้อมกับได้กลิ่นไม่ไม่เหมือนหมูย่างตอนนั้นผมใจคอไม่ดีเลยเหงื่อแตกเต็มหลังพยายามกดปุ่มทุกปุ่มที่มีมั่ ว, วโรวัรวเพราะความกลัวผมคิดว่า มันต้องไม่ใช่คนแน่ๆเพราะผมตะโกนออกไปหลายครั้งว่าใครครับช่างเหรอแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยนอกจากเสียงเดินชนของล้มโครมครามโครมครามแต่โชคยังเข้าข้างผมประตูลิฟต์ปิดก่อนที่เสียงประหลาดนั้นจะมาถึงตัวลิฟต์พอดีแล้วลิฟ ลงไปต่อโดยไม่หยุดที่ชั้นไหนอีกเลยผมนี่ลุ้นโคตรลุ้นเลยครับกลัวมันจะหยุดอีกจนลงมาถึงชั้นหนึ่งลิฟต์ก็เปิดออกปรากฏว่าพวกพี่ๆและยามมายืนรอกันอยู่หน้าลิฟต์เต็มไปหมดผมนี่หน้าซีดเหมือนลมจะจับพี่ๆเลยมาช่วยกันประคองพอผมอาการดีขึ้น พี่ๆเขาก็บอกว่าลิฟต์ผมค้างอยู่ชั้น15้าเกือบ10นาทีเลยต้องตามยามมาช่วยกันแต่ด้วยความที่ลิฟต์มันไปเปิดที่ชั้น15้าอยู่แล้วจะทำให้ตัวอื่นไปที่ชั้นส5้ามันก็ไม่ยอมไปแล้วอยู่ๆลิฟต์มันก็ลงมาเองผมก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ทั้งพี่ๆและยามฟังทีนี้ยามเลยเล่าว่า อย่าไปบอกใครนะตอนก่อสร้างตึกนี้มีคนงานขึ้นไปเชื่อมท่อแอร์แล้วเกิดระเบิดเพราะแก๊สรั่วจนไฟคลอกตายแต่ไม่แน่ใจว่าชั้นไหนเจ้าของตึกเขาปิดข่าวไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครผมได้ฟังนี่ถึงบางอ้อเลยครับลองหลับตาจินตนาการตามไปว่าเจ้าเสียงที่ผมได้ยินกลิ่นไหมที่ผมได้กลิ่น อาจจะเป็นช่างคนนั้นที่ถูกไฟคลอกแล้ววิ่งหนีตายจนชนของล้มไปหมดวิญญาณของเขาคงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดหลังจากวันนั้นผมก็ไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้ลิฟตัวที่6อีกเลยปัจจุบันเวลาผ่านไปเกือบ20ปีผมมีเพื่อนที่ยังทำงานอยู่ที่ตึกนั้นมันก็ยังบอกว่าลิฟตัวที่6